ขอความสุขความเจริญจะมีแต่ท่านผู้ฟังเท่าไรเซึ่งทําจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมกำลังนำเสนอจุลทะทุกขขันธสูตรคือสูตรที่ว่าด้วยกองแห่งทุกขนาดเล็กก็โดยเน้นไปที่โทษของกลามเป็นรัธรรมเทศนาที่ส่งแสดงแก่ ระเจ้ามานามะซึ่งก็โรงองคมีปัญหาว่าจะสามารถกํากับกิเลสได้บ้างขณะแต่บางขณะมันกํากับมันไม่ได้ก็เกิดข้องใจข้องพระไทยสงสัยว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้นที่จริงลักษณะเหล่านี้เป็นลักษณะทั่วไปของสามัญชน เราไม่สามารถที่จะรักษาระดับจิตให้อยู่ที่กุศลได้เป็นวันๆเนี่ยเราอยู่ดูได้ยากเพราะว่ามันจะมีอารมณ์ที่ผ่านมาจากข้างนอกแล้วก็จิตเป็นเหนียวนึกมาจากข้างในและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือยุคที่เราอยู่ที่เรียกว่าโลกาภิวัตน์เป็นยุคข้อมูลข่าวสารเนี่ยมันเป็นการยากทวีคูณตรีคูณขึ้ น, นมา ว่าทายังไงจะกากับผู้คุมใจให้นิ่งคือจะไปข่อยคว้ารับอารมณ์ต่างๆมากเกินไปก็อย่างที่นานมาแล้วนะเคยเล่าหฟังว่าได้พบรูปเป็นรูปปั้นเป็นรูปแกะสลักเป็นรูปลิงสามตัวตามตำนานเขาบอกว่า มาตมะคันทีส่งให้ท่านหมอเจอตุงหรือหมอจอตุงส่งให้มาตมะคันทีก็ไม่ทราบนะเดี๋ยวศึกษารในตอนหลังป ร, กรากฏออกเป็นภาพโบราณมากาแสดงแนวความคิดสมมตมก็มีมาก่อนก็ปิดปากปิดตาปิดหูแล้วก็มีพระเทราผู้ใหญ่ท่านหนึ่งท่าน เขียนเขียนเป็นคำกรอนไว้แต่ยังไม่ทราบว่าเป็นรูปใดเพราะคำกรอนตรงนี้มันไปคล้ายกับคำกรอนที่พูดถึงชีวิตที่บอกว่ายศและลาผผาไฟไม่ได้นแน่มีเพียงแต่ต้นทุนบุญกุศลทรัพย์สมบัติทิ้งไว้ให้ปวงชนแม้ร่างตนเขายังเอาไปเผาไฟ เมื่อเจ้ามามีอะไรมาด้วยเจ้าเจ้าเจ้าเะสุขสนุกสนานจะมามือเปล่าเจ้าจะเอาอะไรเจ้าก็ไปมือเปล่าเหมือนเจ้ามาก็เคยเรียนถามพระเถระผู้ใหญ่รูปหนึ่งคือท่านจุคุณสุมเมธาธิบปดีอดีตอธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุท่านบอกว่าเป็นข้อเขียนของพระอาจารย์ท่านหนึ่ง เป็นพระอาจารย์กรรมฐานแต่ท่านาราจำชื่อไม่ได้บอกว่าอยู่ที่วัชสุทัศน์แต่ว่าข้อความตรเนี้ข้อความที่ที่พูดต้องการสำรวมระวังปากตาหูท่านบอกว่าเป็นสำนวนของอาจารย์พระหมหาจำรดติตะโชตก็เป็นเชือขเขมร แล้วก็บวชอยู่ที่วัดมหาธาตุท่านเป็นพระเถระนักคิดนักคนนักเขียนเขียนอะไรไว้เยอะแต่ก็ไม่ได้พิมพ์ปรากฏว่าเก็บใส่ปีป๊บเอาไว้แล้วก็พอดีพระเดชพระูลก็มาหน้าไปก็ไม่ทราบว่าเอกสารเหล่านั้นอยู่ที่ไหนที่จริงก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดาย คืองานเหล่านี้ย่างอย่างนึกนกว่าอั น, นิชนุนหลังเนี่ยคือเราจะไปฝากฝังการัฐอะไรไปทั้งหมดเนี่ยมันคงยากคือมากับมองมีความรู้สึกว่าระบบราชการเวลาเราเข้าไปเกี่ยวข้องเรารู้สึกว่าเอความรับผิดชอบเขาตามไงคือเขาไม่ได้ทำงานโดยจิตวิญญาณอย่างที่พระทำ คือพระทำเราไม่ได้คิดเรื่องเวลาเรื่องเงินตราเรื่องอะไรทั้งหมดเราคิดแต่า ง, งานอย่างเดียวแล้ก็ทําดึกดื่นเที่ยงคืนทีหนึ 1, 2, ่งทีสองเราก็ทําได้แต่ว่าเขาเขารู้สึกว่าเขาขาดขาดจิตสํานึกขาดจิตวิญญาณความรักงานที่จะทํางานเนี่ยและโดยเฉพาะที่ที่เกี่ยวข้องกันมาอย่างนึกว่า ทีค่อนข้างอเอกิดนะฮะคือทหารกับมาไทยค่อนข้างเอกิดแต่ที่อื่นถ้าที่เจอมาไม่ว่าจะเป็นครูก็ดีเป็นสรักพูดก็ดีกรมการศาสนาก็ดียังไงยังไงไม่รู้แต่ก็นึกว่าก็คงจะได้เท่านั้นน่ยนะแต่ก็ยังรู้สึกเสียดายเพราะทางานถ้าเราขาดจิตวิญญาณเนี่ยมันไม่มีสนุกอะ ไปคิดนั้นคิดนี้คิดโน้นคิดเล็กคิดน้อยอยู่เนี่ยไม่สนุกอก่ะคือเป็นการแสดงพลังความสามารถความรู้ความสามารถของเราลงไปในตรงนั้นมีอะไรก็ไม่มีก็ไม่ต้องไปสนใจมันหรอกแล้วมันก็อยู่กันได้แล้วก็จริงเราหาคนคุ่มเทในลักษณะนี้ยากพราคนทุ่มเทมากๆเพื่อจะไล่ตั่อีกอ่ะ ก็เนี่ยเป็นกมิติวายางไงเออท่านบอกว่าปากเป็นปูหูตะกล้าตาตกแรงปากไม่แพ่งหูไม่อ้าตาไม่เห็นเป็นหลักธรรมนำให้หัวใจเย็นคนควรเป็นเช่นนี้บ้างในบางล่าวหมายความว่าไม่ควรพูด ก, ก็อย่าพูดสับ้างไม่ควรดูก็อย่าดูสับ้างไม่ควรฟังก็อย่าฟังสับ้าง ก็เป็นวิธีฝึกใจอย่างหนึ่งแต่ในที่นี้พระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงให้เห็นคือรับสั่งเล่ารับสั่งเล่าตั้งแต่สมัยที่พระองค์ยังเป็นพระโพธิสัตว์ยังไม่ได้สัสรุเราจะเห็นว่าที่เคยยกตัวอย่างถอนไม้สามท่อนนั้นแนหะ คือกว่าจะไปถึงจุดนั้นเนี่ยอมก็ชักเยอะกันอยู่นานแล้วก็ทรงแสดงเห็นว่าดุกกรมานาะมาก็อะไรเล่าเป็นคุณของกามทั้งหลายแล้วสั่งว่ากามคุณห้าประการเนี่ยคือรูปที่พึงรู้แจ้งด้วยจักสูที่น่าค้ายหน้าปรารถนาน่าพอใจ มันก็เหมือนกันนะฮะรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภั์ธรรมรมช้ายอย่างเดียวกันแต่ ว, ว่าเราก็เราก็เจออยู่เรื่อยนะะเราก็เจออยู่เรื่อยก็ถามมันทำไมเจอบ่อยมันก็เจอบ่อยเพราะเราอยู่กับเขาอะแต่โลกเรามันเป็นโลกสัมผัสเราเรียนรู้โลกทางตาหูจมูกลิ้นกายใจของเรา และที่นอกแก่ตัวเรามันก็คือสิ่งที่เป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นผลิต ภ, ภเป็นธรรมารมถามว่าเหลือจากนั้นมีไหมมันไม่มีอ่ะมันก็มีแค่นั้นแ่ะแต่ว่าการมองในมิติของพระพุทธศาสนาเป็นการมองที่จะให้รู้ทั่วถึงความจริงของสิ่งเหล่านั้นเอเป็นคุณก็ไม่เปเศษเหรอกว่าเป็นคุณ แล้วคิดเอามาเทียบเคียงเฮ้ยระหว่างคุณกระโอษแต่อะไรมากกว่าเรามองถึงอายตนะภายในของเราละเราดูตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราตานี่ก็มากเรื่องหูนี่ก็มากเรื่องจะมูกนี่ก็มากเรื่องแล้วก็ลิ้นนี่ลิ้นนี่ก็มากเรื่องอีกมากเรื่องใหญ่เลย คือยังนึกว่าคนแมม ป, ล, ป ล, ลิ้นตัวเองกันจังเลยคือบางทีเราไปเห็นที่อะไรที่เขามาแสดงาการจิมอาหารมีคนคนเดียวนั่งชิมอาหารเต็มโต๊ะอย่างเงี้ยก็เฮ้จะกินมาทำอะไรแต่สูาเราตามใจตาหูจมลิ้นกายนะใจของเรานะที่จริงก็ตามใจใจน ะ, ะตาก็ กใส่ร้าย เ, าเฉยๆเพราะว่าตามันก็ไม่ได้อยากดูใจมันอยากดูแล้วก็ใช้ตาดูาใช้หูฟังใช้จมูกดมใช้ลิ้นลิ้มใช้กาจับ้องในขณะเดีดยวกันถ้าเรามองความจริงตรงนี้ให้เข้าใจเราจะเห็นถึงคนที่มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในด้านต่างๆ ยกตัวอย่างเช่นมีการประทุดสร้ายต่อชีวิตคนอื่นล่วงละเมิดสิทธิในทรัพย์สินคนอื่นคู่ครองคนอื่นกล่าวคําโกหกหลอกลวงสารพัดยุโยงให้เกิดความแตกแยกระสัาระสายในการยุให้รํำทำให้รั่วโดยวิธีการต่างๆคําหยาบคายร้ายกาจไม่น่าเชื่อว่าเขาจะพูดได้แต่เขาก็พูดได้ แล้วก็ข้อความที่มีคําเลวไหลร้ายสาระคือถ้าเราเข้าใจถึงสภาวธรรมอย่างเงี้นะเราจะมองเขาด้วยความสงสารด้วยความสลดใจด้วยความเสียดายจะได้คนอะ่ะเสียดายเวลาชีวิตที่เกิดมาเป็นคนทั้งทีเนี่ยคือมันน่าจะทําดีได้มากมากเลยจะว่ายิ่งคือพออายุมากเนี่ยมันต้องทําดีมากอะ่ะ ชีวิตมันใกล้ป่าช้าแล้วจะเอาอะไรกันนั่งหนาพี่จะสร้างบ่อดอกบ่าห้คาแผ่นดินไว้ทบอะไรเรามาอาศัยชาติบันเมืองชาติบันเมืองในอาศัยอาศัยประเทศในประเทศในอาศัยแต่น้องคุมเรืณก็แผ่นดินแล้วพก็ทําไม่ได้แล้วก็น่าสงสารก็น่าเห็นใจแล้วก็ต้องปล่อยเขานะฮะ ไม่ต้องตั้งใจรอคอยอะไรเขาหรอกเขาก็ เ, าเป็นไปตามกรรมเขาจะเ ร, เรื่องบาเรื่องถ้าเราปรงไม่ตกแล้วเราจะเดือดร้อนแั้นอาการกำหนดอารมณ์มาหน้าใคร่หน้าปรารถนาหน้าพอใจเนี่ยมันใจมันส่ายเนมันวิ่งมันพล่านไปหมดเลยเคยลูกศิษย์เขาเคยมาเล่าที่จริงอาชีพมันก่อสร้างนะะ แล้วก่อสร้างมันไปได้เงินอะไรมาแล้วไปกินเลี้ยงกันกินเลี้ยงจะเป็นหมื่นๆถางกินอะไรกันแกบอกไปเรื่อยอะ่ะออกจากร้านนี้ไปข้าวร้านนั้นออกจากร้านนั้นไปสู่ไปสู่ร้านนี้ก็เกือบรุ่งไปถามมาเอาท้องมาจากไหนมากินะก็ไปรู้กินกันอันนี้คือคือเราจะเห็นหนึงว่า เป็นจิตใจที่ถูกครอบงำด้วยอำนาจของความโลภอยากจะอวดอามา้างอวดมีแสดงถึงรสนิยมของตัวเองอะไรต่างๆเนี่ตอนนี้มันครบุงขึ้นมาแล้วเขาเจตนาปรุงอยู่แล้วให้เรายอมรับเงื่อนไขที่เขาสร้างขึ้นนะว่ารูปนี้สวยนะ เสียงนี้ไปร้อนนะกลิ่นนี้หอมนะ้ารสนี้น่าอร่อยนะสัมผัสนี้น่าจะต้องเนะี่ยไอ้จนถึงกับว่าถ้าเราไม่ได้ไม่มีไม่เป็นไม่ได้เห็นไม่ได้ยินเนะี่ยมันมันเสียศักดิ์ศรีนะเลยก็ขวนขวายดิ้นรนกันด้วยวิธีการต่างๆวันก่อนดูอะไรอ่ะในการาคาเรือนเป็นล้านล้านอะไเจ็ดล้านอะ ย, ยังนึกเองมนุษย์ยังก็แปลกอีก นาฬิกาไม่ถึงร้อยบาทก็ใช้ได้อนาฬิกลาผมก็ดูเวลาแต่นั้นเองอะไรอ้ น, นี้คือคือคือมันเกิดใจที่กําหนดที่กาหนดอารมณ์ทีนี้ถ้ามันเป็นอย่างนั้นในความรู้สึกของเรานะไม่ใช่ความจริงหรอกแต่หมายความในความรู้สึกของเราเนี่ยว่ามันก็เป็นเป็นความสุขเป็นสมนัตที่อาศัยกรรม รับใดที่เรายังรู้สึกอย่างนั้นอยู่เนี่ยกับใดที่เรา ร, รู้สึกอย่างนั้นอยู่มันก็เป็นคุณของเราก็นานมาแล้วนี่พระเทรรรูปหนึ่งเป็นคุณกันนะนะท่านท่านเล่าแต่ท่านเล่าในหนังสือไม่ได้เล่าไมไ่เล่าโดยตรงท่านบอกเขานินมนต์ไปเทศที่ต่างจังหวัด แล้วก็ปรากฏว่าเรือมันเสียไปทางเรือนี่เรือมันเสียระหว่างทางว่าจะไปถึงวัดที่มีงานเนี่ยงานเลิกไปแล้วแล้วก็ดึกเกือบเที่ยงคืนแล้วแล้วก็ไม่รู้ว่ากุฏิสมพานอยู่ที่ไหนก็ไม่กล้าไปมันคดับไฟหมดล้วแล้วก็ไม่รู้จะไปไหนด้วยเพราะเรือก็หมดละเรือจะกลับก็หมดละเรือจะไปไหนก็ไม่มีละ มองไปเห็นที่ศาลาเห็นมีนมุงเดินก็ไปใกล้ก็เห็นมีคนนอนอยู่เลยก็ตัดสินใจก็เอาผ้าปูก็นอนตรงนั้นแหละก็ถือว่ามีเพื่อนนอนแล้วนอนหลับสนิทเพราะมันเหนื่อยพอตีห้านะมีคนเข้ามาก็าซูบซิบก็คุยกัน พูดกันไปพูดกันมาก็ฟังได้ความว่าที่นอนในมงุงนะ่ะคือศพไอ้ความรู้สึกอบอุ่นว่านอนมีเพื่อนนอนเนี่ยมันหายไปเลยมันกลายเป็นความกลัวเห็นไหมมันก็เกิดจากจิตเรามีความรู้สึกว่า น, นี้คือเพื่อนนอนมีคนนอนเพื่อนแล้วไม่ต้องกลัวอะไรเพราะเรายังไม่รู้เห็นตามความจริงพอรู้ว่าเป็นศพแต่ น, นั้นเด็กรีบรวบรวมข้าวของก็ ไปเลยไปเลยแล้วท่านก็มาเขียนเล่าไว้ในหนังสือทีนี้ตวเนี้ที่ยักษ์พูดไว้ในพระสูขก่อนแล้วก็พระสูขนี้ก็ส่งแสดงะฮะพระกาลเนี่ยมีโทษน้อยแต่ว่าไม่ใช่มีมีคุณน้อยมีสุขน้อยแต่ก็มีถูกมากมันเป็นภาระที่รุงรังยุ่งยากมากมาย คยังนึกถึงถึงชาวบ้านกับพระเนี่ยคือว่าที่จริงพระเนี่ยมีลูกมากกว่าชาวบ้านนะฮะคือมาบวชมาห้าสิบปีปีนี้จะปีที่ห้าสิบเอ็ดเราได้ลูกศิษย์เราเป็นร้อยนะะลูกศิษย์เราบางคนนะอายุตั้งหกเจ็ดสิบละแล้วลูกศิษย์ ท, ที่ที่บวชเนี่ยบางคนก็แก่กับเรานะฮูโ้มันมันมันเยอะมาก รู้สิทธิ์นี่เยอะมากๆเป็นร้อยๆแล้วบางองค์ที่เป็นอุปชาเนี่ยอย่างสมเด็จพระสังฆราชเนี่ยมันมีมีมีสทิติเป็นพันนะฮะเป็นพันๆเลยแต่ว่าเราก็เกี่ยวข้องกันโดยความไม่ยึดมัน่นถึงมั่นอะไรมากเป็นว้แต่ว่าเกกาเกเรเจอบางทีก็ก็ขับเคลื่อนกันไปก็แก้ไขกันไป แต่เราก็มีปัญญาที่ต้องรู้ท่าพันนะ์ฮะคือจะไปเครียดกับคนเหล่านี้ไม่ได้หรอกเราก็ทำหน้าที่ของเราเท่าที่เราทำได้แล้วก็ดีอย่างเราก็ไม่เจออะไรที่แรงๆแบบนั้นเองทีนี้รับสั่งต่อไปเนี่ยพูดถึงการ การประกอบอาชีพเพื่อเลี้ยงดูตัวเองเลี้ยงดูครอบครัวให้เป็นสุขเนี่ยนะเรียกว่าหลังสู้ขวาหน้าสู้ดินเนี่ยเหนื่อยนะแล้วก็เป็นงานซ้ำๆซ ๆ, ๆ, ๆ, ๆซ้ำๆสัำๆซ้ๆซักๆคือยังนึกถึงตอนที่เป็นเด็กๆไปเยี่ยมป้าแล้วก็ลูกผู้พี่เนี่ยเขาไปเลี้ยงวัว แล้วก็ชวนไปแล้วก็ปล่อยวัวกินกินหญ้าแล้วก็นั่งอยู่ที่พนต้นไม้มันเกิดความคิดตอนนั้นอายุสักเจ็ดแปดขวบมันเกิดความคิดถึงนี่วันมันกำลังจะหมดนะเราก็แก่ไปหนึ่งวันไอ้วัวมันก็กินอิ่มมันก็แก่ไปหนึ่งวันแล้วถ้าเราอยู่อย่างนี้สองวัน3าวันสี่วันสี่วันห้าวันแล้วก็มีค่าถั้าคอกวัวตัวหนึ่งเลยมันก็คิด คิดตั้งแต่เด็กๆนะฮะคิดตั้งแต่เด็กๆว่าเราไม่เอาหรอกชีวิตอย่างนี้เราไม่เอาเพราะในในส่วนมันก็บ่ายหน้ามาสู่พระศาสนาแล้วก็เกิดจากความคิดเด็กๆนะฮะทำไมเป็นเด็กๆเออสะสมจากการได้ฟังพระสวดมนต์บ้างได้ยินท่านท่องอะไรอะไรบ้างเนี่ยมันก็เข้าหูได้ยินได้ฟังก็สะสมความคิดไว้เด็กๆซึ่งก็ต้องคิดต่อ ยังมีเรื่องต้องคิดเดยอะแต่ว่าตรงเนี้ยคนจะไม่ค่อยได้คิดออกออกโกยตักตวงสแสวงหาผลประโยชน์สร้างสถานะมั่งคั่งร่ำรวยเอา้าก็จะกรรมมือมาจะกแบะมือไปจะ อ, อะไรนักหนานะคื อ, อยังนึกว่าคนคนคนหนึ่งเนี่ยนะ่สมมติว่ามีเงินสิบล้านแล้วก็อยู่ตามปกติมันเป็นโมดกตกทอดนะ ถึงลูกถึงหลานได้เดี๋ยวนึกดูว่าเรากินวันสักเท่าไหร่ก็ก็กินไม่เท่าไหร่อ่ะไอ้สิ่มมันก็ทิ้งอยู่เป็นสมบัติในโลกเนี่ยเดีเราถ้าเราเข้าใจในลักษณะนี้เนี่ยที่จริงมันไม่ต้องไปไปเคร่งเครียดอะไรกับกับใครหรอกในส่วนบาปกรรมเนี่ยเป็นเรื่องของเขาแต่ส่วนผลที่เกิดขึ้นจากบาปบาปกรรมเนี่ยมันเป็นผลของโลก หือมันติดอยู่ในโลกนี่แหละออล ก, หก็เอาไปนรกไม่ได้เราเอาไปสวรรค์ไม่ได้เราเราก็ลดการวุ่นวายกับชีวิตของคนอื่นได้ไปเยอะเลยในที่นี้ก็แล้วแต่จะยกนะฮะคือ ค, คือแล้วแต่จะยกเราย่าลืมว่าเป็นการคุยกับชาบ้านพระเจ้ามาานามานั้นก็คือกษัต ร, ริย์กษัต ร, ริย์สมัยโบ ร, ราณเนี่ยมันก็คล้ายๆกับแลนด์ลอตอ่ะคือเป็นราชาที่บิน ที่ก็มีบริษัทบริวารประกอบกิจการงานต่างๆแต่องค์กตรเองก็การ์ก็คือเกษตรนะฮะการ์มาขัติยะขัติยะก็มาจากเขตเขตเวกเวกเวนาเกษตรก็แปลว่ า, นานนวสนาที่ต่อมาเรียกจะแผ่นดินเพ้ท่านก็ทำทงานท่านก็เมื่อยแล้วงานซ้ำซาก งานงานซ้ำซากอย่างที่เคยเล่าว่าพระเจ้ามานามะเนี่ยได้สอนพระอนุรุปซ้ำซากจนพระนุชาไม่เอาด้วยแล้วเอาพี่อยู่ก็แล้วกันผมบวชผมไม่เอาอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉผู้นะเจ้าเอาตัวเนี้ยมาสอนท่านท่านท่า น, นมานามะอีกครั้งหนึง่งแล้วสั่งว่าทุกก่อนมานามะก็อะไรเล่าเป็นโทษของกรรมทั้งหลาย คุณระบุในโลกนี ah ic ic er okay. ้เลี้ยงชีพด้วยความขยันประกอบศิลปะคือการนับคะแนนก็ดีโดยการคำนวณก็ดีโดยการนับจํานวนก็ดีโดยการไถก็ดีโดยการค้าก็ดีโดยการเลี้ยงโคก็ดียิงยิงธนูก็ดีโดยการมีราชบุรุษก็ดีโดยศิลปะยังอดไรยางหนึ่งก็ดีสรุปประการประกอบอาชีพทั้งหลายกันแล้วกันแล้วในสมัยโบราณเนี่ยการประกอบอาชีพมันส่วนใหญ่ใช้แรง แล้วก็ต้องฝึกปืนมากฝึกปืนเอาจริงเอาจังกันมากเอาเป็นเอาตายแล้วก็ท้าแข่งขันการต่อสู้กันยังคือเคยเล่าว่าราชกุมารสามพระองค์ไปศึกษาที่กรุงตักกิลามาด้วยกันเนี่ยประเพณีกุมารเนี่ยแสดงศิละปะให้พระราชบิดาชมในมอบรับราชสมบัติให้เป็นพระเจ้าเป็นดิน เจ้ามาลิลิศวีปุกวัชีแสดงศิลปะกันจนตาบอดอะเนศบอดเลยแล้วก็เป็นได้แค่อาจารย์บริหารบ้านเมืองอะไรก็ไม่ได้าตาบอดซะแลพันตุลเสนาบดีเป็นมัละนะพวกปุจินาร ะ, ะแรสดงศิลปะจนคนขริศยา แอบเอาเหล็กไปใส่ไว้ในลำไม้ไผ่ให้ท่านฟันมัดรวมกันหกสิบหกสิบลำทั้นฟันทีเดียวฮนะท่านคิในลำสุดท้าย เ, าเจอเจ อ, เจอกะเล็กท่านสอบถามทราบความว่าพระยาดเอาเหล็กไปแอบใส่ไว้แล้วก็น้อยพระไทยว่าเอญาติของเรามากมายขนาดนี้ไม่มีใครบอกสักคนถ้าบอกก็จะฟันให้ไม่มีเสียงเลย เนี้คือแสดงว่ามันมันมันงานเหล่านี้ยจะมีการต่อสู้แข่งขันกันสูงและเรียนนี้ยิ่งสูงใหญ่เลยเทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยจะเห็นว่าเด็กต้องเรียนรู้ที่ลึกซึ้งมากแล้วโอกาสจะว่างงานเนี่ยง่ายมากๆเลยถ้าไม่เก่งจริงเนี่ยจะไปไม่รอดเอาตัไม่รอดเราเคยเจอคนบางคนจบปัญญาโทว่างงานเนี่ยนะะจบ ป, ปีนี้เยอะเลยที่ว่างงานอยู่ ผลงานเหล่านี้มันมันต้องผจญกับปัญหาวสัสดต่างต่างต้องตัดตามต่อความหนาวต่อความร้อนนุ่งงานอยู่ด้วยสัมผัสแห่งเหลือบยุงลมแดดนะไอ้คือคือว่าภาพยุคเกษตรกรรมเราจะเห็นวา่ามันก็มีลักษณะอย่างนั้นแน่นอนคนสมัยเนี้จะอยู่ในห้องแอร์ห้องอะไรก็ตามจะลืมมาสตางค์เยอะนะจ่ายเยอะแหละน้ำมันก็ขึ้นทุกวันแล้วก็ทรงแสดงว่า บางทีก็ต้องตายด้วยความหิวด้วยความกระหายคือพวกนี้ เ, เขามาเกือบหมดนะหนาวร้อนหิวกระหายปวดอุจจาระปวดปวดัสสาวะเหน็ดเหนื่อยเมื่อยลา้าง่วงนอนแล้วก็เราก็แก่เจะบตายไปทุกทุกทุ ก, ทกขณะรับสั่งรับสั่งว่ามานมามะแม่นี้เล่าก็เป็นโทษของกรรมทั้งหลาย หมายความว่าถ้าเราไม่อยากหรือเราคิดว่าเอาพออยู่พอกินพอมีอยู่พอกินพอแล้วมันก็ไม่ต้องเหนื่อยมากมายอะไรขนาดนั้นแน่นอนว่าคนมีครอบครัวมันจะต้องจำเป็นจะต้องเลี้ยงดูครอบครัวแล้วก็อาศัยคนอื่นก็คงให้คนอื่นต้องอาศัยแต่ไม่จําเป็นจะต้องมากมายไกายกอง ยังไม่พวาคนสมัยนี้มันมันไม่หีกรอบมันไปโปรโมทในเรื่องที่ไม่ควรโปรโมทอย่ามิงเกตเนี่ยเป็นหมหาเศรษฐีของโลกมากี่ปีหกเจ็ดปีอะแต่คนไทยเราก็มีอยู่สองสามท่านติดอันดับโลกนะฮะเศรษฐีอันดับโลกก็ติดอยู่สามท่านซึ่งก็กินข้าวที่ระครับเหมือนกัน นั่งท่าที่นั่งนอนท่าที่นอนยืนถ้ทาที่ยืนเดินท่าที่เดินกินท่าที่กินผ้านุ่งก็ก็ท่าที่นุ่งกะ น, นะแต่ทีนี้ในกรนเีเนี่ยถ้าหากว่าเราคิดแบบพุทธคิดแบบพุทธก็คือคิดแบบพระโพธิสัตว์ิ้นตุเมทพรามท่านคิดเนี่ยท่านสลายสมบัตินั้นให้เป็น ให้เป็นคุณธรรมให้เป็นบุญทำสมบัติให้เป็นบุญโดยบริจาคเป็นสาธารณกุศลสงเคราะห์ญาติสงเคราะ์ผ้ า, าถาดบริวารสงเคราะห์คนอยากรายนาถาธานุบำบ u l o ประเทศชาติบ้านเมืองใช้นี่แผ่นดินเสร็จแล้วตัวเองก็ออกบวชอันนี้คือพัฒนาการอังกฤษเป็นการมองเรื่องเดียวกันนัะน มองทรัพย์สมบัติเป็นภาระมันเรื่องอะไรละ่ะทํางานมันแท้เป็นแทบตายเดี๋ยวนี้ยเจ้าของหายหมดแล้วยังเหลือทรัพย์สมบัติเอามาทิ้งไว้ให้เราแล้วถ้าเราประกอบกิจการงานวันหนึ่งเราค่าสัตว์เท่าไหร่คนสมัยนั้นแ่ะทํานาในฆ่าสัตว์เท่าไหร่วันนึงสัตว์ต้องตายเพราะเราทลายคนต้องเหนื่อยเพราะเราทลายโคควายจะต้องเหน็ดเหนื่อยเพราะเราทลายอุ้ยมันบาปกรรมเยอะเลยไม่เอาอ่ะ แต่ไอคนคิดอย่างนี้มันคิดยากหรือการจะเห็นพ่อเกลากามาทินก็เห็นพ่อขั้นเก่าเนี่ยมันจะเห็นยากนะมันรวยขึ้นรวยขึ้นมันใจมันฟูขึ้นน่ะใจมันฟูขึ้นปกติแล้วมันเป็นลักษณะกระแสตัณหาเนี่ยลองนึกออกนะฮะกระแสตัณหาเนี่ยมันจะไปกันโพนอภิกยาอยากได้นั่นอยากได้นี้อยากได้น้องอยากได้ไปเรื่อยๆเพลินนะในสิ่งที่ได้มาแล้วก็เพลินแล้วก็เพลินเรื่อยไปเรื่อยที่จะยกตัวอย่าง พยจะเล่าฟังนะว่ามันนกสุนัขจิ้จอกตัวหนึ่งมันไปเจอซากศพแรงไม่ใช่ไม่ใช่ซากศพช้างมันก็กัดเข้าไปจกทถานทวานร น, น่ะของช้างกินเรื่อยนะกินก็เรื่อยกินเข้าไปจนไป น, นอนอยู่ในนอนน้นเลยในท้องช้างเลย เพราะว่าอารามที่เขากินกิงจากทวารหนักไปก่อนเนี่ยมันก็ทำให้มีช่องอยู่ช่องหายใจเนะี่ยทีนี้แกก็เห็นสบายแล้วหน่งกินก็เพลินแต่เสร็จแล้วถึงจุดหนึ่งเนี่ยไอ้ช่องที่แกเข้าไปบันหุกออกไม่ได้แล้วก็น้ำมันลก็หลากมาก็ทาให้ซากช้างเนี่ยไหลลงทะเลแล้วก็ตาย แล้วพระเจ้าก็เคยเล่าพระองค์เองรสชาติหนึ่งเนี่ยเกิดเป็นนกไปดูดดื่มน้าหวานของดอกบัวเลินอยู่กับรสหวานของของของน้ำหวานในดอกบัวดอกบัวใหญ่เป็นนกขมิ้นเน่ะตัวเล็กๆแต่ดอกบัวมเกิดหุบหุบออกไม่รอดติดอยู่ในนั้นเน่ะทั้นคืนจนกว่า รุงชาเข้ามาดอกบัวบานขึ้นมาอีกทีหนึ่งก็ออกมาได้จะต้องสอนเลยว่าพวกนี้มันเป็นพันธนาการที่สรใช้การมโยคะคือประกอบหรือขังเอาไว้ก า, การมปัญญาอภัคือร้อยรัดเอาไว้กรรมโอค่าคือพัดบุนไปเลยการมมาสวัคือหมักหมมสะสมอยู่ภายในจิตใจของเราจะถึงการมานุษย์ใการมสัญญาอะไรอะไรก็เรียกไปเยอะนะคร วันตรงนี้เราเห็นได้ว่ามันเป็นกองทุกก็เห็นกันอยู่ถามมาจากอะไรอะ่ะมันมาจากความอยากในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสที่ใจเราไปกําหนดว่าน่าใคร่น่าปรารถนาหน้าพอใจพันข้อข้อข้อความจะเหมือนเดิมเพราะว่ามันสูตรนะคือยาลืมันก็คือสูตรเลยพูดอะไรมันก็เป็นอย่างนั้นแหละภาษาไปถึงต้นเหตุจริงๆที่จริ ง, ร ง, รงอันนี้ยั ง, ย, งยังไม่ต้นเหตุจริงนะะแต่หมายความเราไปจีค่ามัน เราบอกความสำคัญแก่มันมีการเป็นเหตุมีการเป็นต้นขาวมีการเป็นตัวบังคับเกิดเพราะเหตุแห่งกรรมทั้งหลายถ้าเราหยุดอยากทุกอย่างหยุดหมดมอะง่ายไม่มีปัญหาอะไรเลยไม่อยากอะไรเลยคือมัก็อยู่ที่ว่าเราคิดยังไงอะเราคิดยังไงเคยเคยไปประเทศฝรั่งเศส ลูกศิษย์เขานำเที่ยวเราก็เคยแปลงกิตมาะเคยไปอิตาลีมาเคยไปรอะไรมาเนี่ยแล้วก็เดินชมมาเยอะแล้วพอถึงฝรั่งเศสเราก็เดินเฉิอบเฉือเฉืบเือบมองไปเรื่อยเราก็ไม่ได้หยุดดรอกเขาก็บน่นอาจารย์นีเป็นยังไงเราศาสตร์เวลานำมาบอกมีอะไรมันเหมือนกันพวกนี้ ม, มันมาจากโรม มันมาจากโรมกับกรีกนะฮะศิลปะที่ยุโรปอเมริกาที่ยุโรปเนี่ยมันมาจากโรมจากกรีกที่ที่นเรเนี่ยมันก็มีในเมืองไทยเราเยอะมีอยู่ในส่วนต่างๆของโลกมีไปถึงสหรัฐอเมริกาหรืออะไรเนี่ยเพรา ะ, ะนั้นเราก็าก็ถือเฉยๆถือถ้าสนใจเนี่ยไป ส, ส, สนใจในอินเดียมากกว่า ยจะกินตนาการไปถึงสมัยพุทธกาลนะว่าปราสาทของเจ้าชายิธธาตตถาเนี่ยมันควรจะเป็นยังไงนะวังที่บอกว่ามีคนอยู่เยอะเนี่ยมันควรจะใหญ่ขนาดไหนควจะอยู่กันยังไงอะไรจะไรเ ร, เราก็ก็จินตนาการไม่ออกแล้วนะเพรตัวเลขที่ท่านเขียนไว้เยอะเลยกนแล้วสรู้ว่าปัญหาทั้งหมดพอได้มากก็เพลิแล้ววิตกกังวลนะเครียดในการดูแลรักษา แล้วพอสิ่งนี้สลายไปเสื่อมไปเปลี่ยนแปลงไปก็โศกเหนไหมมันเกิดจะพังอยากอยากแล้วก็หวงแหนปกป้องอารักขาป้องกันกันด้วยวิธีการาต่างๆบางทีก็ต้องต่อสู้บางทีก็ตายกันเยอะเลยนะฮะแย่งทรัพย์สินเงินทองกันเนี่ยและถึงจุดหนึ่งเนี่ยพอมันหายไปเราก็โศกพอเราหายไปเราก็เสียดาย บนะางทีก็ตายเป็นปู่โสมเนี่ยที่ว่าเนี่ยดูแลก็กระจุงุจินจ่าอินโดนะฮะดูดูแลก็ก็น่าดูดีเหมือนกันเรื่องทั้งหมดที่เราหาเรื่องอ่ะมันอยู่ข้างบนนะเราไปกำหนดมันรับดีค่ามันเองดีค่าว่าสวยมันก็สวยในความรู้สึกของเราแล้วถ้าเราถามว่าไอ้รูปสวยนีย่จริงๆมันมีมั้ยล่ะ ไม่มีนะะรูปสวยจริงๆไม่มีเสียงไพเรอยจริงๆไม่มีกลิ่นหอมจริงๆไม่มีรสอร่อยจริงๆไม่มีสัมผัสที่น่าจัต้องจริงๆไม่มีมันมีที่ใจเราชอบใช่ไหมจะเราไปกําหนวดว่ารูปสวยเสียงไพเราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสทน่าจัต้องก็ก็ชอบสมบัติราคือดูง่ายๆเนี่ยว่าคนในกินอาหารโต๊ะเดียวกันเนี่ยรสชาติขออาหารเราก็ชอบแตกต่างกัน ประเภทอาหารเราก็ชอบแตกต่างกันแล้วก็ปริมาณความต้องการของร่างกายก็แตกต่ า, างกันระดูเฉพาะที่จริงในอาหารมันเป็นทั้งรูปเป็นทั้งสีเป็นทั้งกลิ่นเป็นทั้งรสเป็นทั้งสัมผัสแต่แล้ก็จริงเราก็มีความรู้สึกแตกต่างกันเพราะนั้วนวุฒิเจ้าจึงส่งเน้นใ้เห็นว่ามันมีการเป็นเหตุมีการเป็นต้นข้าวมีการเป็นตัว บ, บ, บังคับ เกิดเพราะเหตุแห่งกรรมทั้งหลายทั้งนั้นเดยนะฮะแล้วสั่งว่าเกิดเพราะเหตุแห่งกรรมทั้งหลายทั้งนั้นถ้าเราหยุดอยากเนี่ยเราจะแก้ปัญหาอะไรไปได้เยอะมากแต่ว่าไอา้ใจที่มันผูกพันของมนุษย์เนะี่ยมันก็พูดยากนะแล้วก็รับสั่งแสดงว่ายุคอนมานามะ เมื่อลบุตรเหล่านั้นขยันสืบต่อพยายามอยู่ครัวฆ่เหล่านั้นไม่สําเร็จผลทําไม่สําเร็จล้มเหลวหกล้มหกลุกพลังพลังพลาดพลาดอ้าวอะไรทีนี้ยุ่งมันเกิดเป็นทุกข์นะเดี่ยฮะไม่ได้ก็เป็นทุกข์ได้ก็เป็นทุกข์นะการที่เราครอบครองเนี่ยไม่มีช่วงไหนที่ไม่ที่ไม่ทุกข์อนะ่ะไหนเราสังเกตรเรามีรถสักคันเอาสมมติเราอยากได้รถสักคันได้รถมารู้มากเลยเป็นทุกข์นะ เป็นพุกในการดูแลรักษาในการบำรุงในการเช็ดถูในการขับในการจอดโอยยุ่งมากอย่างที่โบราณท่านพูดเนี่ยฮะมีมีทองท่าเหนือหมดกุ้งนอนสะดุ้งเรรอนไหวอันนี้คือการเป็ น, นที่นี่อพอพอไม่ได้ก็เศร้าโศกลำบากลำพันธ์ตีอกคํำครวนถึงความหลงเลือน จะถงจุดหนึ่งเนี่ยโอ้ความพยายามเราเสียเรื่องเลยความพยายามของเราไม่มีผลเลยนี่ก็เป็นโทษของการแมนนีเล่าก็เป็นโทษของการทั้งหลายเป็นกองทุกข์เห็นกันอยู่มีการเป็นเหตุมีการเป็นต้นข้าวมีการเป็นตัวบังคับเกิดร้อยเหตุแห่งการทั้งหลายต่อไปก้อาอีกบอแบบใหม่ คือมันมีอยู่หลายมิติอ่ะทีนี้มันขยันเหมือนเดิมนะมันขยันเหมือนเดิมสืบต่อพยายามพวกขเหล่านั้นก็สําเร็จเขากลับเสวยทุกข์ทบมานก็มีการคอยดูแลรักษาป้องกันโพวกทรัพย์เหล่านั้นะเป็นตัวบังคับว่าทํายังไงอันตรายจะไม่เกิดอันตรายจะไม่เกิดแกซัพย์สมบัติ ในสมัยนั้นก็คิดว่ายังไงพระราชาทั้งหล้ยจะไม่ถึงริบโขฆาเหล่านั้นไปทํายังไงพวกโจรจะอพึงกล่นไปไม่ได้ทํายังไงไฟไม่ไหม้ทํายังไงน้ําไม่พัดไปทำยังไงคนที่บ้านเนี่ยไม่จะฉุกสฉืส่อยก็เรียกว่าทายาทที่ไม่ดีเด็ดนะเดียนไปทีนี้ในขณะที่ครอบครองล่ะ ครอบครองพอดีเกิดเป็นอันตรายขึ้นมาอย่างใดอย่างหนึ่งนะเช่นถูกโจมตนถูกไฟไหม้ถูกตาญาติยักยอกเรื่องนี้คนเยอะเลยไปประกอบธุ ร, รกิจการงานกับเพื่อนฝูงรักใคร่กันดีพอมีผลประโยชน์เกิดขึ้นแล้วก็ทะเลาะกันในแต่ข่าวคราวในบ้านในเมืองเราก็มีบ่อยนะฮะแต่เราไม่ได้มองว่ามันเกิดจากเราไปกําหนด ไปประเมินค่าไปตีค่ามันไว้สิ่งเหล่านั้นน่าใคลาน่ า, า, นาปรารถนาน่าพอใจใหมันก็สะโศกมันก็ฟูมัมนก็แพร่ไปแต่ถ้าเราไม่ไปผูกพันอะไรมันมากนะหายก็หายอยู่ก็อยู่ก็ไม่ว่าอะไรจริงจริงมันก็เหมือนกับแขกมาบ้านนะฮะสิ่งของต่างๆในเหมือนกับแขกมาสู่บ้านเราก็รู้ว่ามันมาเพื่อจะไปไม่จะมาเพื่อจะอยู่ ของตั้งหลายที่เกิดขึ้นแก่เราเนี่ยเขามาเพื่อจะไปนะเขาไม่มาเพื่อจะอยู่แม้เราเองก็มาเพื่อจะไปเราไม่ได้มาเพื่อจะอยู่ไม่มีใครอยู่ในโลกนี้ได้ตลอดประเด็นตัวเนี้ยถ้าเราคิดได้นะะคิดได้ทั้งสองเรื่องตัวเราเองตัวเราเองเรามาเราอยู่แล้วเราก็ไปโลกมันเป็นสถานที่พักพิงชั่วคราวโลกคือโรงแรมเรามันเสอยู่ชั่วคราว และแล้วเราจากไปโรงแรมจะดีหรือไม่ดีเนี่ยอยู่ที่คุณมีเงินมากหรือมีกันน้อยคนเกิดมันดีหรือไม่ดีเนี่ยคุณมีบุญมากหรือมีบุญน้อยถ้าคุณมีบุญม า, มากคุณก็เกิดในที่ดีแต่ทั้งหมดเนี่ยงคุณก็ต้องถิงไปเพราะความตายจะไม่เลือกหน้ายเลยพระราชามหากษระสับพ ร, ระเจ้าจักรพรรดินะแม้แต่คนใหญ่คนโตยังไงก็ตามในสุดเ็ื้องตายและถ้าเราชัดเจนในสองเรื่องเนี่ย ก็รู้จะไปทำอะไรอย่างที่ก็พูดเนี่ยว่าขนาดว่าเอาสตางค์ใส่ปากเอาไว้โศกไปสับปเลยยังไม่หยิบมาเสียเลยเกถ้าคือไม่ได้ถึงกับไม่ประกอบแต่ว่าโลภมากไปก็เกินเหตุเกินผลไปเพราะอย่าลืมมาในขณะที่คนรวยเพิ่มขึ้นอย่คนจนเพิ่มขึ้นนะ ถ้าเราเทียบง่ายๆเนี่ยใล้ๆกันน้ำเนี่ยออยกตัวอย่างม่น้ำโผงเนี่ยนะฮะย่งแม่เบยนี้มีปัญหาละยีนไปเกิดสร้างเขื่อนขนาดมาหือมาอยู่เหนือน้ำนะฮเยนี้น้ำโผงตลอดแถวนี่มีปัญหาละทีนี้สมมติว่าใครจะเกิดไปไปสร้างไปรูปเขื่อนขึ้นมาหรือแม้แต่ มีวิธีอะไรที่จะดึงน้ําไปกักเก็บไปในประเทศตัวเองเนี่ยประเทศเพื่นบ้านเดือดร้อนนะเพราะว่าปริมาณฝนมันก็ใกล้เคียงกันมาตลอดแล้วเมื่อมันถูกกักไว้ที่เขื่อนเยอะเนี่ยข้าล่างมันก็มีปัญหาเพราะคนรวยมากๆเนี่ยคือคนจนมากๆใครครอบครองที่ดินไม่มากเนี่ยแสดงว่าคนไม่มีที่ทํากินมาก ทีนี้ค น, นรวยๆเนี่ยเขาไม่เคยคิดแล้มาเสียดายสนามกอบอะเราเราเสียดายสนามกรอบมากกว่าถนนถนนยังไงมันก็ใช้ประโยชน์แล้วสนามกอบมันไม่ได้ใช้ประโยชน์เป็นเป็นเรื่องกระจุกตัวของคนกลุ่มเล็กๆแต่แมมเอาพื้นที่ไปใช้จะเยอะเอาน้ําไปใช้เยอะเอาไฟฟ้าไปใช้จะเยอะนโอเค คือมีการเป็นเหตุมีการเป็นต้นข้าวมีการเป็นข้อมูลการเป็นตัวสร้างให้เกิดขึ้นพอได้ตามปรารถนาก็เพลินพอไม่ได้ก็โศกพอมันเกิดหายไปอีกละหายก็โศกอีกละ่ะเราจากมันเราก็โศกบัณจากเราเราก็โศกมันไม่โศกกับเราหรอกอะรถเนี่ยมันไม่โศกกับเราหรอกเราได้มามันก็ไม่ดีใจ อ, อยู่กับเรามันก็ไม่เสียใจไม่ดีใจอะไร เราตายมันก็ไม่ดีใจไม่จะใจไรจะเราสิเราไปจี้ฆ่ามันเราไยทุกข์กับมันตลอดเลยเอยารับสั่งว่าดุก่อนมานะมามะในนี้เราก็เป็นโทษของการมทั้งหลายเป็นกองทุกข์ที่เห็นกันอยู่มีการเป็นเหตุมีการเป็นต้นข้าว มีการเป็นตัวบังคับเกิดขึ้นเพราะการมเพราะเหตุแต่งกรรมทั้งหลายถ้าพืส่สังเกตฮะสังเกตว่าเป็นวิถีสังคมเป็นการพูดกับชาวบ้านมันธรามเทศนาประพูดกับชาวบ้านเนี่ยเราจะเห็นอย่างหนึ่งว่าธรรมะมันคือวิถีชีวิตอะคือมามองเองเวันนี้มันมีรายการเขาเรี ย, มรยกยมองโลกมองธรรมออกจารายการนี้เลยนะฮะออกที่ ห้าสีู่นย์ในวันจันทร์จะต่อปัญหาจากสถานีวิทยุแห่งนี้ในวันจันทร์เสร็จแล้วเนี่ยพอจบขึ้นรถเราก็เปิดฟังอีกเรื่องหนึงเลยก็ตรวจสอบรายการผู้เรามองโลกมองธรรมลรวจะเอาเหตุการณ์ต่างๆข่ า, ขาวคราวต่างๆนี่มาพูดคือมองเห็นว่ า, าแรสุดพราธรรมมาประวัติพันดีทรร้นล้วนเนี่ยมันหมุนไป เพราะว่าสิ่งในโลกมันมีสามอย่างคือสิ่งดีสิ่งไม่ดีสิ่งกลางกลางแต่ถ้าเรามองแล้วเนะี่ยเราจะเห็นว่ามันสิ่งที่เป็นรูปธรรมพูดง่ายๆว่าธรรมชาติสังคมกับ น, นามธรรมกลายเป็นเนื้อหาอะไรฮะธรรมชาติก็กลายเป็นเนื้อหาวิทยาศาสต ร, ร์สังคมก็เป็นเมื่อเนื้อหาสายสังคมาศาสต ร, รม์มันเกิดจากสิ่งที่เป็นนามธรรมอะนามธรรมก็คือ ความดีความชั่วที่มีอยู่ภายในใจคนเนี่ยมันมีผลกระทบบวกต่อสังคมหรือกระทบหรือลบหรือบวกต่อธรรมชาติแล้วก็อยู่ที่ที่ที่ที่ตัวนามธรรมาซึ่งก็เป็นทั้งกุศลเป็นทั้งอกุศ ล, เ ป, ลเป็นทั้งกลางกลางตามโ ค, ครงขร้างของอริสัต ท, ทั้งสีประการนั่นเองท่านฟังเป็นไรเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีประทุมในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ ที่สวนี้ขอความเจริญงอกงามไพรูในธรรมตรงุงมีและท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทัวกันสวัสดี